เมืองมุกดาหารวันศุกร์ขึ้นส2องค่ำเดือน12ปีมะเมียรัตนโกศิลสก1น3รถึงพ่อเทพฉันเพิ่งกลับมาจากบ้านหมากแข้งเมื่อวานนี้ได้อ่านหนังสือของพ่อเทพที่ฝากมากับเจ้าเมืองพาลูกากรภูมิขอขอบใจพ่อเทพนะที่ส่งข่าวคราวทางบ้านฉันมาให้ทั้งยังได้รู้ความเป็นไปที่บังกอกด้วยฉันได้พบเห็นเรื่องประหลาดกับตัวเองเรื่องหนึง่ง ตรึตรองอยู่หลายเพลาว่าควรจะเขียนเล่าให้ฟังดีหรือไม่ฉันขอยืนยันว่าขณะที่เขียนหนังสือนี้ฉันเองยังมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดีหาได้เกิดวิปลาสจากไข้หรือจากการแรมคืนตามท้องถิ่นกันดารตามหัวเมืองดังที่หลายคนไปลือกันไม่ขอให้พ่อเทพอ่านให้จบและใช้ปัญญาตรองดูเอาเถิดดังที่พ่อเทพรู้อยู่ว่าฉันได้สมัครใจมาช่วยราชการที่มุกดหารตั้งแต่สี่เดือนก่อน เวลานั้นหลายคนรวมทั้งพระเทพเองก็คงแปลกใจว่าเหตุใดฉันจึงอยากมาอยู่ในหัวเมืองห่างไกลาจากบางกอกเช่นนี้เมื่อฉันออกเดินทางจากบางกอกนั้นเป็นการเร่งด่วนอยู่จึงไม่มีเวลาอำลาหรือว่าอธิบายเหตุผลให้ฟังขอเล่าซะตรงนี้พระเทพอยู่ที่กองเสนาบดีได้เห็นหนังสือแลใบบอกต่างๆทุกวันคงรู้ดีว่าตั้งแต่หัวเมืองลาวฝั่งซ้ายตกเป็นของฝรั่งเศสเมื่อปลายปีก่อน ราชการทางหัวเมืองลาวชายพระราชาอาณาเขตต้องเกี่ยวข้องกับพวกฝรั่งเศสอยู่มากที่ปรึกษาราชการจึงได้ทูลเสนอสมเด็จเสนาบดีให้ส่งข้าราชการไปช่วยค่าหลวงหัวเมืองสมเด็จเสนาบดีทรงมีรับสั่งถามความสมัครใจของฉันก่อนใครด้วยคงเห็นว่าฉันเองก็เคยไปร่ำเรียนฝรั่งเศสมาย่อมรู้ภาษาสามารถช่วยราชการของข้าหลวงได้ อีกประการหนึ่งทรงทราบว่าฉันคุ้นกับหัวเมืองแถบนี้อยู่บ้างเพราะว่าพื้นทางบรรพบรุษฝ่ายบิดาส่วนตัวของฉันเองนั้นพ่อเทพก็คงรู้แก่ใจว่าหากเห็นสิ่งไรที่จะสามารถสนองคุณแผ่นดินและกระทรวงของเราได้แล้วฉันมีความยินดีมากทั้งพระพักดีนุชิตผู้ช่วยข้าหลวงคนใหม่ซึ่งไปช่วยกากับราชการเมืองมุกดหารเป็นผู้ที่ฉันคุ้นเคยมาตั้งแต่เริ่มรับราชการที่กระทรวงมหาดไทย การเดินทางของฉันสะดวกเรียบร้อยดีจะมีความไม่ชอบใจอยู่บ้างก็คือหนทางตั้งแต่ออกจากดงพญาไฟผ่านเมืองชนบทจนถึงหมากแข้งลำบากด้วยเวลาที่ฉันเดินทางเนี่ยเป็นฤดูร้อนซึ่งอากาศเองก็ร้อนเหลือกำลังมองไปทางไหนก็แห้งแรงสุดประมาณฉันต้องนั่งเกวียนวันละ 5-6 าหชั่วโมงทุกวันพอเทพของนึกภาพไม่เห็นดอกว่าการนั่งเกวียนนั้นเสมือนนั่งอยู่บนกระดานหกหรือมาโยก ต้องโยกไปโยกมาจนกระดูกแทบจะออกมาข้างนอกตัวหากต้องนั่งเป็นเวลาหลายๆวันวันละหลายๆชั่วโมงอย่างฉันเป็นเรื่องทรมานอย่างหาสิ่งใดเปรียบได้ยากในประทุนก็ร้อนราวกับห้องอยู่ไฟฉันขอเล่าอย่างรวบรัดเพื่อไม่ให้พอเทพต้องทนอ่านรายละเอียดการเดินทางที่น่าเบื่อในที่สุดฉันก็ได้มาถึงที่นี่โดยสวัสดี เมืองมุกดาหารแห่งนี้อยู่ริมแม่น้ำของที่พวกเราในบางกอกพากันเรียกผิดเพี้ยนไปดังปากของพวกฝรั่งเศสว่าแม่น้ำโขงผู้คนที่นี่อัทยาศัยดีภาษาแตกต่างกับที่บางกอกแต่ว่าเข้าใจกันได้อาหารการกินก็บริบูรณ์ปลามีมากชนิดกว่าในแม่น้ำบ้านเรามีภูเขาอยู่แห่งหนึ่งไม่สูงนักชื่อภูประเจ้า แม่น้ำของกว้างกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาสักสองเท่าตัวมีเกาะกลางแม่น้ำอยู่เป็นแห่งๆเมื่อฉันเดินทางมาถึงตั้งแต่แรกก็เห็นได้ว่าระดับน้ำที่นี่ต่างจากแม่น้ำที่อื่นในฤดูฝนระดับน้ำสูงมากจนถึงริมตะลิ่งเป็นไปเช่นนี้จนถึงสิ้นเดือน1 1ครั้นออกพรรษาแล้วน้ำก็ค่อยลดลงยามนี้ที่นี่เป็นเวลาน้าน้อยผิดกับทางบ้านเราในยามนี้ซึ่งเป็นฤดูน้าหลาก พวกเราที่บางเกอกก็ควรรู้ไว้ว่าภาระของข้าหลวงหัวเมืองชายพระราชอาณาเขตทุกวันนี้น่าเห็นใจยิ่งเวลานี้ฝรั่งเศสเข้าปกครองฝั่งซ้ายตรงข้ามเมืองมุกดาหารพวกฝรั่งเศสย้ายที่ทําการเมืองจากท่าแฮมาตั้งใหม่เหนือเมืองเดิมตั้งชื่อว่าสุวรรณเขตทําให้งานของข้าหลวงและเจ้าพนักงานที่นี่หนักมากขึ้นเพราะว่าแทนที่จะได้ใช้สติปัญญาทํานุบํารุงบ้านเมืองอย่างเต็มความสามารถ กลับต้องใช้เวลาส่วนมากไปกับการก่อเรื่องของยวนลาวในบังคับของฝรั่งเศสคนลาวลางพวกก็พยายามก่อเหตุวุ่นวายให้ฝ่ายเราต้องยุ่งอยู่ทุกวันทั้งการลักวัวควายการปล้นผู้ร้ายจากฝั่งซ้ายหลบหนีมาฝั่งขวาหรือผู้ร้ายจากฝั่งขวาก่อคดีขึ้นแล้วหลบไปทางฝั่งซ้ายกรมการเมืองลาวหลายคนหันไปเข้าพวกกับฝรั่งเศส เพราะเห็นแก่อามิตรสินจ้างและความเอาอกเอาใจที่พวกฝรั่งเศแสแ้งทมพวกฝรั่งเศสนี้เมื่อจะใช้คนลาวหรือประสงค์สิ่งใดก็ให้เงินตอบแทนหาได้เกณฑ์ไพร่หรือบังคับเก็บสวยไม่เมื่อเป็นดังนี้ชาวบ้านกับข้าราชการหัวเมืองลาวลางคนถึงกับพูดว่าอยู่ใต้ฝรั่งดีกว่าอยู่กับไทย ในขณะนี้พวกบาทหลวงแลเจ้าพนักงานฝรั่งเศสได้พยายามชักชวนราษฎรฝั่งขวาให้อพยพไปอยู่ฝั่งซ้ายชวนให้สมัครเข้าไปอยู่ในบังคับฝรั่งเศสบ้างชวนให้เข้ารีดบ้างเรื่องนี้ฉันเห็นว่าจะทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นได้อีกยวนลาวกับจีนที่เข้าอยู่ใต้บังคับฝรั่งเศสจานวนมากเริ่มแสดงอาการแข็งขืนกับเจ้าพนักงานของเราด้วยคิดว่า ตัวอยู่ในบังคับฝรั่งจะย้ำกรเงก็แต่ฝรั่งเท่านั้นสัญญาที่ฝ่ายเราถูกบังคับให้ทํากับฝรั่งเศสเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วยิ่งทําให้ราชการที่นี่ลำบากขึ้นจนบัดนี้ฉันยังไม่ได้รับใบคัดหนังสือสัญญาทั้งหมดพวกฝรั่งเศสก็อ้างตามความในสัญญานี้ว่าห้ามไม่ให้เราตั้งกองทหารในเขต25กิโลเมตร เช่นนี้ฉันเห็นว่าจะทำให้โจรผู้ร้ายชุกชุมขึ้นด้วยไม่มีกองทหารให้ยำเกรงดังแต่ก่อนเรื่องนี้ข้าหลวงได้หารือ ก, กันกับฉันว่าควรทุนเสนอให้ตั้งโปลิตขึ้นตามหัวเมืองเหล่านี้ซึ่งฉันก็เห็นด้วยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาฉันได้รับท้องตราจากสมเด็จเสนาบดีให้เข้าเฝ้าสมเด็จข้าหลวงใหญ่ผู้สำเร็จราชการที่บ้านหมากแข้งเป็นการด่วนเพื่อถวายรายงานฉันจึงออกเดินทางจากมุกดาหารเมื่อวันศุกร์ขึ้นหกคำ่ำ ด้วยเรือกระแชงขนาดกลางที่ท่านข้าหลวงจัดให้พร้อมกับนายทุยเสมียนพนักงานผู้ช่วยกับพวกประจําเรืออีกสามคนใช้เรือเพียงลําเดียวเพื่อมีให้ต้องล่าช้ากับทั้งมีให้เป็นพี่ผีสังเกตของพวกฝรั่งเศสทางฝั่งซ้ายเป็นครั้งแรกที่ฉันได้มีโอกาสเดินทางโดยเรือในแม่น้ําของวันออกเดินทางมีข้าราชการเมืองมาส่งที่ท่าน้ํากันหลายคนท่านข้าหลวงก็มาส่งด้วย การเดินทางครั้งนี้เราต้องทวนน้ำขึ้นไปทางเหนือการถอเรือทวนน้ำไปได้ช้ามากเพราะว่ากระแสน้ำในแม่น้ำของแรงบางตอนก็มีแก่งหินพ้นน้ำออกมาพวกถอเรือก็ต้องคอยคัดท้ายหลบหลีกแก่งทั้งยังต้องคอยระวังให้เรืออยู่ใกล้ฝั่งเข้าไว้หาไม่แล้วกระแสน้ำจะพาเรือออกไปกลางแม่น้ำ ฉันเองแม้จะว่ายน้ํามาตั้งแต่เด็กแต่เมื่อเห็นแม่น้ําของแล้วก็รู้สึกเกรงเกรงเพราะว่ากว้างกว่าแม่น้ําเจ้าพระยาหรือคลองบางหลวงบ้านของฉันมากบางตอนมองดูสุดลูกหมูลูกตาทีเดียวฉันอยากให้พ่อเทพได้มาเดินทางแบบนี้กับฉันน่าสนุกสบายกว่านั่งในเกวียนมากลมแม่น้ําเย็นสบายสองฟากแม่น้ํามีป่าทึบมีลิงมีข้างเป็นฝูงริมหาดายบางตอนฉันได้เห็นนกยูงกําลังรําแพน ได้เห็นตะเค่หลายตัวนอนผึ่งแดดอยู่บนก้อนหินกลางน้ําหรือบนหาดทรายริมน้ําบางตัวก็โผล่ลงแม่น้ําเมื่อเรือของฉันแล่นผ่านไปตกตอนเย็นขบวนเรือหยุดพักแรมริมฝั่งแม่น้ําถือว่าค่ําลงตรงที่ใดก็พักแรมที่นั่นหุงข้าวต้มแกงกันเป็นที่สนุกปลาในแม่น้ํามีมากตอนค่ําเรากินข้าวแล้วก็พูดคุยกันข้างกองไฟมีเสียงน้ําในแม่น้ํากับเสียงสัตว์ป่าเป็นเพื่อน ลุกขึ้นตอนเช้ากินข้าวเช้าแล้วก็เดินทางต่อเป็นดังนี้ทุกวันฉันสังเกตได้ว่าชาวบ้านตามหัวเมืองอยังไม่สู้เข้าใจเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างท่องแท้นักผู้คนทางฝั่งซ้ายที่รู้ข่าวว่าบ้านเมืองกําลังถูกปกครองโดยพวกฝรัง่งก็พากันอบพยพมาตั้งเมืองใหม่ทางฝั่งขวาในพระราชอาณาเขตฉันเห็นชาวบ้านบึงกระดานพากันใช้เรือแพอพยพข้ามมาฝั่งขวาเป็นหมู่ป้อมค่ายทางฝั่งขวาหลายแห่งกําลังถูกรื้อ ฉันหยุดเรือถามดูได้ความว่ามีคำสั่งให้ถอนออกไปอยู่นอกเขต25กิโลเมตรครั้นถามว่าใครสั่งก็ได้คำตอบไม่ตรงกันบ้างก็ว่าฝรั่งเศสเอาหนังสือมาปิดไว้ลางคนก็บอกว่าเจ้าเมืองเป็นผู้สั่งชาวบ้านก็ลือกันไปว่าบางกอกเสียให้กับฝรั่งเศสแล้วฉันพบพ่อค้าจีนคนหนึ่งจากเมืองเขมาราชกําลังจะเดินทางไปเวียงจันทร์บอกกับฉันว่า เวลานี้คนจีนในบางเกอกพากันขนทรัพย์สินมีค่าไปไว้ที่สิงคโปร์ด้วยเกรงว่าจะถูกฝรั่งเศสริสบทรัพย์สมบัติหมดตัวฉันก็ถามว่ารู้มาจากที่ใดจีนพ่อค้าบอกว่าคนทางเขมรราชว่ากันดังนั้นฉันรู้สึกชิงชังพวกฝรั่งเศสเสียเต็มทีแม้ว่าจะเคยไปร่ำเรียนในบ้านเมืองของมันมาแต่ดูการดูแคลนยกตนข่มท่านกับใช้กาลังข่มเหงประเทศเล็กๆแล้วมันน่ารังเกียจเป็นที่สุด ครั้งที่มันเอาเรือรบมาปิดปากน้ําฉันค่อนจะเห็นอย่างท่านเจ้าคุณชนลยุทธ์ว่าควรรบกับมันดูสักพักถึงแม้จะแพ้ก็ยอมตายซะดีกว่าให้มันมาดูหมิ่นที่ประเทพเขียนมาเล่าว่าไอ้ปาวีแสดงกิริยาโอหังที่กระทรวงเราในวันเจรจาฉันนึกอยู่แล้วว่าหากว่าพวกข้าหลวงของเราปล่อยให้พวกข้อฆ่าซะให้ตายที่หลวงพระบางในคราวนั้นน่าจะเป็นการสมควรซะดีกว่าช่วยเหลือมันไว้สัญชาติเนรคุณอย่างแท้ทีเดียว ขอเล่าถึงการเดินทางต่อก็แล้วกันเย็นวันที่11นับแต่ออกจากมุกดาหารวันนั้นเป็นวันแรมค่ำหนึ่งเรือของฉันผ่านหมู่บ้านเล็ก 2- อสาแห่งก็ได้หยุดซื้อข้าวกับของกินจากชาวบ้านเข้าใต้ไฟวันนี้กินข้าวในเรือตอนค่ำฉันเห็นกระทงลออยู่ริมน้ําเป็นระยะมีการตามเทียนในกระทงฉันก็แปลกใจด้วยเวลานั้นยังไม่ถึงเพนเดือน12ถามพวกถอเรือก็ได้ความว่า เป็นธรรมเนียมของหัวเมืองลาวเขาลอยกระทงกันในวันออกพรรษาเพื่อสเดาะเคราะห์กับบูชาพญานาคในแม่น้ำของฉันได้เห็นเขาผูกไม้ไผ่กับโครงเรือใหญ่ๆแล้วก็จุดไฟเผาในถุยบอกว่าประเพณีเช่นนี้เรียกว่าหลายเรือไฟดูงามตามากค่ำวันนั้นฉันมาหยุดพักแรมห่างจากเมืองพลพี่สายราวสามเส้นที่ตรงนั้นเป็นช่วงที่แม่น้าแคบมีสาาท่าน้าอยู่แห่งหนึ่ง เลยจากท่าน้ำแลไปข้างบนเห็นพระจดีองค์หนึ่งฉันก็เข้าใจเอาเองว่าบนนั้นคงเป็นวัดแต่ไม่เห็นแสงไฟริมฝั่งตรงข้ามกับที่รอบๆตรงนั้นไม่เห็นบ้านเรือนผู้คนฉันก็อาบน้ำที่ตรงท่าศาลาเสร็จแล้วก็นอนบนศาลาในทุยนอนอีกฟากหนึ่งบนศาลาพวกคนถ่อเรือก็สมัครนอนในเรือเช่นทุกวันฉันตื่นขึ้นมาในตอนดึกคเนว่าราวหกทุ่มนอนลืมตาอยู่เป็นนาน พยายามจะนอนหลับลงอีกแต่ก็ไม่สําเร็จจึงลุกขึ้นเดินลงมานั่งเล่นที่ริมกระไดท่าน้ําคืนนั้นเดือนงายสว่างสะท้อนแม่น้ําเป็นสีเงินยวงนั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปจนรู้สึกหนาวด้วยเวลานั้นมีลมแรงกําลังที่ฉันจะลุกขึ้นกลับไปบนศาลาฉันเห็นคนสามคนเดินลงมาที่แม่น้ําพวกนั้นลัดตรงลงมาจากทางพระเจดีจนถึงริมแม่น้ําห่างจากกระไดศาล า, าที่ฉันนั่งไม่ถึง20ิบวา ฉันเห็นได้ถนัดว่าเป็นชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งกับเด็กผู้ชายอายุราวห้าหกขวบพ่อแม่ลูกสามคนนี้แต่งกายเช่นชาวบ้านหัวเมืองทั่วไปคนพ่อนั้นถือพานใหญ่มีข้าวของอยู่ในนั้นพอมาถึงริมแม่น้ำก็พากันนั่งลงโดยไม่ได้มองมาทางสาลาที่ฉันกับนายทุยอยู่แม้แต่คราวเดียวฉันนั่งดูเข้าใจเอาว่าคงเป็นชาวบ้านมาลอยกระทงงตามประเพณีหัวเมืองลาว คนพ่อเอาพานวางลงกับพื้นทรายริมน้ำฉันมองไม่ถนัดว่าเป็นสิ่งไรแต่ไม่ใช่กระทงเป็นแน่พ่อแม่ลูกนั้นช่วยกันวางสิ่งที่อยู่ในพานเรียงกันตรงริมน้ำและก็พากันคุกเข่าพนมมืออย่างจะสวดมนต์ไม่นานก็มีลูกไฟพุ่งจากสิ่งที่วางไว้เป็นแสงสีแดงขนาดราวผลส้มลูกไฟมีหลายลูกพุ่งขึ้นสูงจากพื้นไปในอากาศสูงบ้างต่าบ้าง บางลูกสักเม็ดหนึ่งบางลูกก็พุ่งขึ้นสูงกว่านั้นแลดูสวยงามราวกับดอกไม้เพลิงที่จุดกันในวันเฉลิมที่สวนสารานรมหากแต่พุ่งขึ้นเป็นระยะตลอดเวลานี้สามคนพ่อแม่ลูกก็นั่งนิ่งอยู่เสียงเจ้าลูกชายหัวร่อเอิร์กอาร์กอย่างเด็กสนุกกับของเล่นราวยีสมินิทดอกไม้เพลิงก็สงบลงสาคนลุกขึ้นยืนหันหลังกลับเดินขึ้นไปทางพระเจดี ฉันนั่งอยู่ที่นั่นอีกครู่หนึ่งมองไปตรงริมน้ำที่พ่อแม่ลูก3ามคนมาจุดดอกไม้เพลิงเห็นพานนั้นวางทิ้งอยู่นึกได้ ว, ว่าพวกนั้นคงจะลืมไว้เป็นแน่ฉันเดินไปหยิบพานมาวางไว้ตรงกระดานศาลาตั้งใจว่าตอนเช้าจะให้พวกถอเรือเอาไปส่งแล้วก็กลับขึ้นไปนอนบนศาลาจนหลับไปเวลานั้นคเนว่าน่าจะประมาณแปดทุ่มเศษถึงตอนเช้าฉันกินข้าวแล้วก็ได้พิจารณาโดยพิเคราะห์เห็นว่าพานใบนั้น เป็นพานลงหินอย่างโบราณฝีมือชันเลิศน่าจะเป็นของเก่าแก่มีราคาของบ้านนั้นฉันจึงได้สั่งการให้เท้าปุ่นกับเท้าคำสิงคนถอเรือเอาพานนั้นขึ้นไปถามหาเจ้าของในหมู่บ้านเมื่อได้ส่งคืนจนถึงมือเจ้าของแล้วก็ให้ลงมารายงานให้ฉันรู้คนของฉันขึ้นไปบนฝั่งเป็นนานเลยกลับลงมาแจ้งว่าได้เที่ยวดูบริเวณนั้นแล้วหามีบ้านเรือนคนไม่ ฉันก็เลยถามว่าได้สอบถามดูจากพระที่อยู่วัดแล้วหรือไม่ตอบว่าไม่เห็นวัดมีแต่พระใจดีริมน้ำที่เห็นจากริมน้ำข้างล่างอยู่องค์เดียวฉันเห็นประหลาดจึงได้ชวนในทูยเสมียนกับคนถอเรือขึ้นไปดูอีกก็เห็นจริงตามที่คนถอเรือบอกที่ตรงนั้นเป็นป่ารกชัดไม่มีวัดไม่มีบ้านเรือนฉันออกเดินเที่ยวดูรอบๆก็ไม่เห็นสิ่งใดที่บอกได้ว่ามีผู้คนอยู่ที่นี่เลย จากแนวดินริมน้าไปเพียงสองว่ามีแต่ไม้น้ําจจำพวกเล็บเหี่ยวกับพุทธซาป่าพระเจดีย์องค์ที่อยู่ริมน้าคงเป็นเจดีย์เก่าแก่มีต้นไม้เล็กๆขึ้นอยู่บนองค์พระเจดีย์หลายๆที่รอบๆองค์พระเจดีย์นั้นเป็นดินทรายกว้างราววาหนึ่งไม่มีหญ้าขึ้นกับมีร่องรอยเหมือนมีผู้ดูแลปัดกวาดอยู่จนเตียน ฉันสังเกตเห็นว่าองค์พระเจดีย์ด้านนั้นมีโพรงขนาดใหญ่ราวศอกหนึ่งรอยตีนคนที่เห็นเมื่อมาถึงตรงปากโพรงนี้ก็กลายเป็นร่องยาวตื้นๆบนพื้นทรายในทุยแน่ใจว่ารอยทางยาวๆนี้เป็นรอยงูเลื้อยตามขนาดแล้วก็ต้องเป็นงูใหญ่ที่มีอยู่ด้วยกันสมรอยคนถ่อเรือสองคนยืนยันกันว่าต้องเป็นรอยงูใหญ่แน่ฉันเล่าเรื่องที่พบเมื่อตอนดึกให้คนทั้งหมดฟังก็มีความเห็นตรงกันว่า ที่ฉันเห็นนั้นคือพวกพญานาคที่รักษาน้ำของเชื่อกันหนักแน่นว่าในเวลาวันออกพรรษาพวกพญานาคจะมาจุดบั้งไฟในแม่น้ำเห็นกันมาแต่โบราณว่าเป็นลูกไฟดังดอกไม้เพลิงเป็นอยู่เพียงวันหรือสองวันเท่านั้นจำเพาะแต่เวลากลางคืนกับมีแต่แม่น้ำของช่วงนี้เลยลงไปทางใต้หาปรากฏไม่ ฉันยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าที่ฉันเห็นนั้นเป็นมนุษย์แท้หรือพญานาคดังเขาว่าในทุยกับคนถอเรือบอกว่าโพรงที่พระเจดีย์นั้นต้องเป็นทางขึ้นลงของพวกพญานาคและก็พากันหาทูปเทียนกระดาบไหว้กันทั้งหมดผ่านใบนั้นฉันได้เอาวางทิ้งไว้ที่ปากโพรงข้างองค์พระเจดีย์ตามความประสงค์ของพวกนั้นฉันแรกฉันก็ตั้งใจว่าจะเก็บมาเป็นของที่ระลึก แต่ว่าถูกค้านแข็งแรงว่าเป็นการไม่ควรทั้งหมดนี้ฉันขอบอกว่าเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาทั้งสิน้นพราะเทพจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแต่พ่ะเทพเถิดรายงานการเข้าเฝ้าสมเด็จข้าหลวงที่หมากแข้งฉันได้ส่งมาต่างหากเชื่อว่าพ่ะเทพคงได้เห็นแล้วฉันขอจบหนังสือฉบับนี้แต่เท่านี้ฝากความระลึกไปยังพวกเราที่กระรวงกับขอให้พระเทพช่วยเป็นทุระฝากหนังสืออีกฉบับในซองไปให้มะปรางด้วย ฉันมีความสุขสบายดีระลึกถึงพ่อเทพอยู่เสมอพินิจรรัชเทศ